ท่านก็ได้ไปก่อนหลวงตานะท่านก็ได้หลวงตาก็ได้มาร่วมงานศพจากงานศพหลวงปู่เพียรแล้วก็มาท่านก็มาแสดงธรรมแล้วก็มาวางสิ่งละเลิกสร้างเจดีย์ของหลวงปู่เพียรอีกก็หลวงปู่ท่านก็จากไปหลายปีแล้วแต่คณะศิทธยาดุสิทธิ์ก็ปีหนึ่งก็ลำเลิกถึงก็มีการจัดงานแบบเรียบง่าย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 อุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณท่านอยู่ณสถานที่ใดถ้าตกทกุก็ขอให้พ้นจากทุกถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งยิงยิงขึ้นแล้วก็ผู้มียังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันณนะสุขภาระสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพใจให้เข้มแข็งแข็ ง, แ, ขงแรง เ, เรามีแต่เจตนาดี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 ผู้มีอุปกรณคุณต่อพระองค์ท่านเพราะนั้นพวกเราในฐานะพุทธบริษัทของพระพุทธเจา้าก็ควรจะนําพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างของพวกเราถ้าเดินตามแนวแถวของพุทธแล้วมีแต่ความสุขกายสบายใจแต่ถึงยังไงก็อย่างที่หลวงพ่อได้ย้ำเตือนว่าให้พวกเราศึกษาให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 ตามความมุ่งมา่นปรารถนาของพระ อ, องค์ท่านอของพระ อ, องค์คือได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนธนอน น, นเราศึกษาทีนี่ให้ศึกษาศึกษาในทำคำสอนของพระ อ, องค์ตรัสไว้เป็นแนวทางเบื้องต้นท่ามกลางและก็สูงสุดพวกเราให้ศึกษาศึกษาเบื้องต้นทำยังไงแต่เมื่อ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 ไม่ใช่ว่าปลูปรับขึ้นไปกระโดดขึ้นไปก็อยู่ยอดแต่มันไม่ใช่อมันก็ต้องไต่ไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆอไต่เต้าขึ้นไปตั้งแต่เดินขึ้นไปตั้งแต่ตีนเขาอจนถึงยอดเขาเอเวอเรตจะทํำยังไงจึงขึ้นไปจุดนั้นได้อก่อนที่จะขึ้นไปทํำยังไงเตรียมอะไรท่านเขาบอกว่าต้องมีทานอมีทานก็คือสเสบียงใช่ไหมล่ะ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 จากนั้นก็ดูแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินท่านดําเนินอย่างไรในการประพฤติปฏิบัติถึงมรรคผลนิพพานท่านทําอย่างไรมีช่องมีทางทีเดียวนะถ้าเราศึกษานะอแล้วก็ฟังเราฟังสื่งไหนมากก็ตามอย่าพึ่งไปปักใจเชื่อเพราะเราย่าไม่เราไม่เคยเดินทางเรามีแต่ดูแผนที่จากนั้นเราก็เดินตามแผนที่อเราจะไปเชื่อแผนที่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 หลงทางไปได้ไง่ายๆเหมือนกันคือบางองค์พอจิตใจรวมเป็นสมาธิแล้วพอไปเห็นนิมิตเห็นเทวดาเห็น<ม>ภูมมะลุกขะเทวดาเห็นสวรรค์ชั้นฟ้าคู่บาอาจารย์ท่านบอกนะให้ดูซิขึ้นไปดูสวรรค์ชั้นฟ้าไปชมสวรรค์ชั้นฟ้านะพอในสุดต่อนเราก็ส่งไปตามที่อาจารย์ของเราแนะนาสั่งสอนผลในสุดก็เลยนะ